ตอนบรรยายทมเนื่องในวันทอดผ้าป่าสามัคคีวันที่สิบสี่เมษายน 2,560 ้าหโยมกัลยมิตรเราทุกท่านเนี่ยมีโอกาสมาร่วมบุญกันปีหนึ่งคือสองครั้ง อ, อันนี้คือเรียกว่าผ้าป่าตอนเมษาส่วนออกพรรษาแล้วเนื่องจากพระคุณเจ้าท่านจาริกมาจำพรรษานะไปพะเนีถ้าเกิดมีพระภิกษุเกินห้ารูปเขาต้องจัดมีการ ทอดกรถินนะถวายผ้ากรถินพรรษานั้นจะได้ครบองค์และทั้งสองครั้งเป้าหมายเราคือเป็นตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาคําว่าเด็กด้อยโอกาสเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนจนอย่างเดียวนะคนที่เขาอยากมีโอกาสแต่เขาไม่มีโอกาสโดยเฉพาะลูกมหาเศรษฐีต่างๆเนี่ยเขาด้ยโอกาสในการเรียนรู้เรื่องชีวิต เขาก็ควรจะมาบวทเรียนที่นี่นะนะคือคนด้อยโอกาสด้อยโอกาสในการเรียนรู้เรื่องชีวิตไม่ได้แปลว่าคนจนนะก็อันนี้เราจะจัดทุกปีบวทภาคฤดูร้อนเพราะว่าเด็กๆที่จะมาอยู่ประจำที่นี่ต้องบวดเป็นเนนบทเป็นแม่ชีนะเพราะยุคนี้เนี่ย สังคมข้างนอกเนี่ยมันยากมากเพอพับเดียวอายุเจ็ดขวบก็ตั้งท้องได้แปดขวบเป็นคุณแม่ละนะเราก็ต้องใช้ศาสนานะใช้ผ้าขาวมหาห่อเขาไว้ใช้ผ้าเหลืองมหาห่อเขาไว้นะเป็นเกราะป้องกันภัยในวัยที่เขายังดูแลตัวเองไม่ได้นะเพราะว่าโลกข้างนอกตอนนี้มันอันตราย นะครับก็ที่นี่แม้กระทั่งวันปีใหม่ปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่สากลไม่ว่าปีไหนไหนไม่ว่าวันไหนไหนทุกๆเช้าเราก็เตรียมตัวตายทุกวันบางทีมันไปขัดแย้งกับความรู้สึกเอ๊ะวันปีใหม่ต้องเฉลิมฉลองทำไมพูดถึงเรื่องตายนะวันนี้พระครูขอเปิดประเด็นนี้ นะเราเตรียมตัวตายทุกวันเพราะดีก็ตายชั่วก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายอยากก็ตายไม่อยากก็ตายกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายสัจธรรมความจริงคือเราตายแน่ๆผู้มีปัญญาย่อมไม่ประมาทนะก็เวลาไม่มากเมื่อกี้พ่อครูก็กไปนั่งโนดโนดโนดนะ ตอนนี้พวกครูไม่ได้จำอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันหนักนะแต่เนื่องจากเป็นวันที่พรุ่งนี้วันนี้เราขิดผมนะปลงผมพรุ่งนี้เราจะมีการบวชนะแล้วให้ลูกหลานทุกคนเนี่ยนะแล้วทุกท่านจะบวชชีหรือบวชพระอะไรก็ช่างเนี่ยนะฟังคำโบราณ น, นิดหนึ่งคำโบราณ น, นะข้อหนึ่ง ยากอะไรก็ไม่ยากเท่าปฏิสังขรนปฏิสังขรนเมื่อกี้พอครูคุ้นเจอก็เลยคิดถึงคุณหมอเมื่อวานบอก พ, ะพ่ะครูว่าอยู่ๆก็มีคำานึงเรามาถกกันพระครูจำไม่ได้ว่าพูดว่าว่าอะไรมันแปลว่าตัวนี้นะคุณหมอขวาวฟังนะคำว่าปฏิสังขร น, นี่การบูรณะใหม่ ทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิมนี่แหละแล้วกําลังพัฒนาจิตเรานี่คือปฏิสังขรณ์แต่ว่าคุณหมอเขาใช้ภาษาไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จิตปรุงแต่งก็คือไวยาคมันคืออย่างนี้เนี่ยยากอะไรก็ไม่ยากเท่าปฏิสังขรณ์ถอนอะไรก็ไม่ยากเท่าถอนมานะที่เขาพูดเป็นภาษาพังเพยว่าทิฏฐิพระ มานะผู้ใหญ่อันนี้คืออัตราโดยเฉพาะภิสษุน์สงทางฝ่ายเทระว่าเราต้องระวังนะเพราะเราเหมือนหุ่นเชิดเราเป็นอุปกรณ์ที่ฝึกให้ญาติโยมเนี่ยต้องกราบไหว้เพื่อลดอัตราทีนี้ถ้าเราไม่ระวังปุ๊บเนี่ยเราจะเหลิงตัวเองเราจะเพิ่มอัตรากลายเป็นทิฏฐิพระนะผู้ใหญ่เหมือนกันหลงว่าฉันเป็นผู้ใหญ่สอนให้เด็กต้องทาดีทาอะไร หลงความรู้ตัวเองกลายเป็นเป็นมานะขึ้นมานี่คืออัตตาเขาจึงบอกว่าถอนอะไรก็ไม่ยากเท่าถอนมานะแต่ถ้าพระสั่งสายมหายานแม้กระทั่ง อ, อ, องค์ดาไ ล, าลามะเห็นโยมปุ๊บกราบโยมก่อนเขาเอายมเป็นที่ตั้งในการสร้างทำลายอัตตาของท่านแต่ไม่ใช่ถูกหรือผิดนะ ถ้าทําไปทำมาเดี๋ยวโยมก็มีอัตตาอีกนะทางเทรวาสเราก็คือใช้อุบายตัวนี้เพื่อให้โยมเนี่ยลดอัตตาแต่ถ้าคนที่เป็นคนลับเนี่ยถ้าเผลอเมื่มอไหร่เนี่ยไปหลงว่าฉันเก่งฉันดีฉันเหนือกว่าคนอื่นฉันศีลมากกว่าคนอื่นเขามากราบเราตลอดเนี่ยอันนี้ระวังกลายเป็นทิฏฐิพระผู้ใหญ่ก็ระวังนะหลงว่าตัวเองเก่งกลายเป็นมานะขึ้นมาอันนี้คือตัวทุกข์ ข้อที่สบุญอะไรก็ไม่ยากเท่าบัพชาบัพชาคืออะไรเนี่ยคือการบวชการงดเว้นจากความชั่วเราบวชนัยยะคือว่าเราจะงดเว้นจากการทําความชั่วนี่คือการบัพชานะหมายถึงการบวชเป็นนักบวชบัพชาเดิมทีหมายถึง การบวชเป็นนักบวชทั่วไปเช่นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบับรพชาสาวกบับรพชาและเรียกนักบวชว่าบัมพชิตในสมัยปัจจุบันใช้เรียกเฉพาะการบวชเป็นสามเณนเท่านั้นคาว่า บ, บับรพชาใช้กับสามเณีเท่านั้นส่วนการบวชเป็นภิกษุเรียกว่าอุปสมบท ความจริงการบวชเป็นภิกษุนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการเป็นสามเณรก่อนแล้วจึงอุปสมบทดังนั้นจึงนิยมเรียกรวมกันไปว่าบัพพชาอุปสมบทนะอันนี้ให้เราเข้าใจนะบุญอะไรก็ไม่ยากเท่าบัพพชาแสดงว่าอา น, นิสงส์ของการบวชได้บุญมากที่สุด ได้บุญมากกว่าเราไปหาเงินแสนล้านไปสร้างวัดร้อยละร้อยวัดพันวัดบุญก็ไม่เท่ากับการบวชการบวชจึงมีอนิสงฆ์มากที่สุดนะข้อที่สี่จนอะไรก็ไม่เท่าจนปัญญาเห็นไหมจนปัญญาจึงฆ่าตัวตายไปติดเพราะว่าฉันได้เปรียบเสียเปียบเธอรวยฉันจนฉันได้น้อยเธอได้มาก อันนี้คือจนปัญญาเห็นอะไรก็ไม่ยากเท่าเห็นตัวเองเรามาอยู่ในศูนย์เนี่ยเรามาดูตัวเองตลอดเช้าสายบ่ายเย็นนะเรานั่งฟังอยู่นี่แหละเราก็เรารู้ว่าตัวเองกาลังฟังอยู่นี่คือขบวนการทำให้เรามีสติใช้สติต่อดเวลาเนี่ยเห็นอะไรก็ไม่ยากเท่าเห็นตัวเอง ที่มันยากเพราะอะไรพอนั่งปุ๊บหลับตาปุ๊บโอ้ยเบื่อวะเอ้ยมันงดหยิดวะไปเที่ยวดีกว่าเห็นไหมมันไม่ใช่ง่ายแต่ถ้าเราทำได้แล้วเนี่ยมันยิ่งใหญ่ศูนย์เราทำทุกอย่างที่เล่ามาทั้งหมดนะทีนี้ก็มีพุทธพจน์อีกอันหนึง่งนะที่เขาเปรียบเรื่องกองไฟกองไฟให้ความอบอุ่นแก่คนที่กำลังหนาวสัน่นกองไฟให้พลังความร้อน หุงหาอาหารเลี้ยงคนในครอบครัวซึ่งประโยชน์อยู่ในวงแคบบางคนปัจเจกฉันหนีเข้าป่าปีกวิเวกนะฉันได้ฉันได้ฉันได้ไดเออฉันได้วิเวกแต่ให้คนอื่นก็ไม่ได้นะเราเข้าใจว่าผู้เจ้าสอนว่าต้องสัมมาทัเรียบง่ายต้องวิเวกฉันก็หนีไปอยู่คนเดียวเอาเฉพาะตัวฉันครอบครัวฉันนะถ้ากองไฟขยายผล เป็นแสงสว่างเพื่อส่องทางให้มวลมนุษยชาติให้เกิดดวงตาเห็นธรรมย่อมสร้างประโยชน์ในวงกว้างนะพุทธศาสนาไม่ตัดขาดสังคมแต่ก็ไม่คลุกคลีไม่คลุกคลีนะือสีชีพัยที่ติดสุกในฌานตัดขาดจากสังคมแต่ไปติดริดติดเดชถ้ามัวแต่ดัดตน อันนี้ลือสีดัดตนไงท่านที่ฝึกโยคะมาก็ต้องระวังไม่ใช่มันไม่ดีมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งแต่ถ้าไปหลงอยู่นั้นมัวจะดัดตนตัวเองบ่อยๆนะมันก็ไปติดขันตรงนั้นน่ะถ้าไม่ตัดตนนะถ้าไม่ฆ่าตัวเองซะนะมันก็มีวันพนทุกแต่มันเป็นเทคนิคเป็นอุบายในการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งถ้าไปหลงติดมันก็ตีอยู่กับขันนั่นแหละห่วงแต่สังขารร่างกาย นะแล้วมยุ่งกับใครมันจะเกิดบารมีไหมนะถ้าไม่วางตนวางขันนะไม่มีทางพ้นทุกนะต้องวางตนวางขันมาเป็นผู้ให้ไม่ใช่มัวแต่รักษาขันไม่มีวันพ้นทุกคำว่าโยคะต้องระวังพุทธไม่ได้สอนว่าควรไม่ควรอย่างไรแต่สอนเราให้เห็นตามความเป็นจริง ศีลวินัยมีไว้กำกับตัวเองเพื่อเตือนสติตัวเองไม่ให้ไปเผลอไปทำชั่วแต่ทุกวันนี้เอาศีลวินัยมาจับผิดคนอื่นมากล่าวโทษคนอื่นมันเป็นความชั่วร้ายอย่างยิ่งต้องไม่ต้องควรไม่ควรเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันกลายเป็นกฎเกณฑ์มันเป็นสมมุติและบัญญัติมันไม่ใช่ความจริงแต่เราต้องไม่ทำลายสมมุติบัญญัติคนอื่นถ้าไปทำลายปุ๊บเนี่ย ก็เป็นการสร้างกรรมแต่จิตเราต้องอยู่เหนือสมมุติอย่าเป็นธาตุสมมุติก็เนื่องจากมีเด็กๆเข้ามาใหม่นะเรื่องนี้ถ้าพระครูจำไม่ผิดนะเคยพูดแล้วไม่รู้นานแค่ไหนนะอันนี้เด็กๆฟังหน่อยนะความกตัญญูกตเวทิตาคือเครื่องหมายของคนดี การกลัวพ่อแม่หกประการจะทำให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตฟังนะลูกเฮ้ททำไมต้องกลัวพ่อแม่พ่อแม่รักเรามากมายเลยก็พ่อแม่รักเรานะ่ยิ่งต้องกลัวกลัวหกอย่างถ้าใครทำได้ชีวิตเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมเราจะเป็นผู้เจริญหนึ่งกลัวพ่อแม่อับจนกลัวพ่อแม่จะอับจนและให้ทำยังไง ไม่ใช้จ่ายสลุยสุล่ต้องทําตัวเป็นคนประหยัดสองกลัวพ่อแม่อับอายให้ทํำยังไงไม่ทําความชั่วหรือสิ่งที่ทําให้ผู้คนดูถูกพ่อแม่เราว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนสกลัวพ่อแม่อับเฉานะให้ทําอย่างไรพูดแต่เรื่องดีๆให้ฟัง อย่าพูดเรื่องไม่ดีให้ฟังแล้วอับเฉานะไม่ใช่เราบุยกัพูดจะดา่าแม่ก็ดา่าจะอะไรงอนก็งอนอย่างเงี้ยนะจิตใจพ่อแม่อับเฉาหมดเป็นบาปนะลูกนะพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันของเราเปียบเสมือนผมในบ้านอย่าไประคายเคืองข้อที่สี่กลัวพ่อแม่อับปราง อ, อับปรางก็คือล้มละลายะนะให้ทำย่างไร อย่าเล่นการพนันอย่าครบเพื่อนชั่วมัวเมาในอบายมุกนะถ้าอย่างนี้พ่อแม่มีเท่าไหร่ก็หมดนะข้อที่ห้ากลัวพ่อแม่อับโชคนะกลัวพ่อแม่อับโชคให้ทำยังไงทําเป็นเรื่องดีๆให้รู้สึกว่าโชคดีที่มีลูกดีกระตันอยู่ เราทาได้ง่ายๆนี่แหละข้อที่หกลัวพ่อแม่ไปสู่ปอลโลกปอลโลกก็คือไปสู่พบอื่นก็คือตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรก็ช่างนั่นแหะตอนที่ยังตายยังไม่ไปเกิดเนี่ยนะบุญยังไม่มียังเกิดไม่ได้เนี่ยนะแล้วไม่มีปัจจัยทําพิธีส่งบุญกุศลไปให้กลัวพ่อแม่ไปสู่ปอลโลกแล้วไม่มีปัจจัยทําพิธีส่งบุญกุศลไปให้ต้องทําอย่างไร ต้องตั้งใจทำมาหากินรู้จักเก็บออมนะถ้าใครมีความกลัวพ่อแม่หกอย่างนี้เนี่ยชีวิตเราจะเจริญนะแล้วก็เขาก็เตือนอยู่ไม่ให้กินสองอย่างไม่ให้กินสองอย่างหนึ่งเหล้าและของมึนเมาสองยาพิษนะกินแล้วมันจะตาย กินเหล้ากินแล้วมันจะขาดสตินะไม่ให้เล่นสองอย่างนะหนึ่งเล่นการพนันสองเล่นลามกต่างๆมันจะผิดศีล น, นะไอ้นี่ก็เป็นคำโบราณเป็นเตือนสติกันแล้วช่วงสั้นๆนงนี้พอกูก็ขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านเนี่ยมาปิดทองหลังพระการจันรลงศาสนานั่นไม่ใช่พูดเก่งๆเฉยๆ นะดีไม่ดีไปสร้างแค่วัตถุนะแล้วก็เอามากาบวัตถุนั้นมายินดีกับมันแล้วไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยเราสร้างวัตถุบ้างเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างคนคนสร้างชาติคนสร้างศาสนานะศาสนาต้องเดินต่อไปนะข้างนอกมันเลวร้ายมากพรอครูเตือนนะนะมีแต่ว่าทุกคนไปเ น, น้นที่เศรษฐกิจทุกเพราะเศรษฐกิจนะ พระครูอยู่ในป่านี้พระครูไม่ได้ค้าขายแต่พระครูจับขึ้นมันได้นะนะเราทาบุญเนี่ยเรามาเปิดโอกาสให้ทุกคนมาทำบุญมาช่วยกันสร้างกองทุนเพื่อสร้างลูกหลานเราไม่ใช่ลูกหลานของฉันนะทั้งหมดเป็นลูกหลานเราหมดเป็นลูกหลานพุทธเจ้านะไม่ว่าลูกใครอะไรท่านก็คือลูกหลานเร า, า, น, เรานะเรามาสร้างคนคนเขาก็จะสร้างชาติสร้างโลก สร้างศาสนานะแล้วพระครูก็ดูจากตัวเลขสำรับพระครูเป็นแค่สมมุตินะพระครูหนีมันมาแต่ตัวเลขนั้นมันสะท้อนให้พระครูเห็นระบบปัญหาขึ้นเศรษฐกิจนะตอนนี้พระครูไม่ได้ห่วงอะไรห่วงญาติธรรมเราอะไรที่ว่าทามาหากินอยู่เนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนผิดอะไรเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีเศรษฐกิจเมืองไทยไม่ดีไม่ใช่เราเป็นคนทำ นะมันเป็นกรรมร่วมใช่มเมื่อเราไปฝากกับเศรษฐกิจปุ๊บเราเราสะดุดปุ๊บเนี่ยมีปัญหาแล้วเราเองก็ยังประคองตัวเองยังไม่ได้แล้วจะมีส่วนเกินที่ไหนเนี่ยมาแบ่งปันนะตัวเลขมันฟ้องพักคูตลอดเวลาแต่บังเกินว่าที่นี่ไม่เดือดร้อนนะเราสำรวมระวังตลอดเราถึงมีเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเพียงแต่ว่าเมื่อขึ้นมันมันเกิดขึ้นเร็วมาก เห็บางคนไม่ไม่มาศูนย์ไม่กี่เดือนบอกโอ้ศูนย์เปลี่ยนแปลงขนาดนี้มันยังช้ากว่าช้ากว่าไอ้ขึ้นโลกขึ้นจักรวาลขึ้นเวนขึ้นกรรมมันเร็วมากนะเราต้องช่วยกันประคองเรือลํานี้ให้มันเดินไปนะเราต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุดส่วนเราเปิดโอกาสให้ญาติโยมข้างนอกเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทําบุญเราเอันนั้นเป็นเรื่อง ผ, ผลพลอยได้ถ้ามีปุ๊บเราก็ทําความพร้อมให้ลูกหลานเราต่อไปนะเราต้องพึ่งตนเองให้เยอะนะก็ ช่วงนี้รู <ant> so Mont ้สึกเขาจะเดินมาแล้วมั้งก็จะได้เวลาฉันเพนกันละก็สุดท้ายนี้บางท่านก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะแล้วก็ให้มีชีวิตอย่างสันติสุขหวังอะไรก็ให้สมหวังนะให้ทุกคนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไว